เมื่อสวดมนต์จนรู้สึกถึงความสว่างศักดิ์สิทธิ์ลองตั้งศั จ, จาทิฏฐานว่าด้วยจิตที่สุขสว่างดีแล้วนี้จงเป็นที่ตั้งของความเมตตาที่อยู่เหนือความอาฆาตพยาบาทและถ้าเกิดความผูกใจเจ็บขึ้นก็ขอให้จิตอันสว่างศักดิ์สิทธิ์นี้ปรากฏขึ้นณจุดนั้นเพื่อปัดเป่าให้หายไปโดยเร็วแผ่เมตตาอย่างไรให้ใจเลิกพยาบาท แผ่เมตตาที่ถูกคือการเอาความสุขที่คุณมีจริงไปให้คนอื่นเป็นสุขตามแต่ที่ทำากันมักแพ่ความทุกข์ความเครียดหรือความแค้นแน่นอกไปให้คู่อริมากกว่าอย่างอื่นนั้นเราเราไม่เคยสำรวจใจตัวเองว่าขณะแผ่เมตตาใจเป็นทุกข์หรือเป็นสุขกันแน่พวกเรามักเข้าใจผิดๆว่าแค่ท่องสัพเพสัตตาอเวราโหนตุแล้นึกถึงคนที่เป็นคู่แค้นของเรา เท่านั้นก็เป็นอันจบหน้าที่ทั้งที่จริงแล้วขณะท่องคถาแม้ปากสว่างแต่ใจอาจยังมืดก็ได้ไม่รู้ตัวเลยอาจแผเมตตาด้วยการเอาความเครียดก้อนเล็กๆไปพอกให้เป็นความเครียดก้อนโตๆก็ขอให้เร่งรู้ตัวว่าคุณสร้างขั้วลบขึ้นในจิตซึ่งพอเจอหน้าบุคคลนัน้นเป็นเป้าหมายจริงๆขั้วลบในคุณ ก็จะยิ่งไปกระตุ้นโทสะของเขาและย้อนกลับมาเร่งโทสะของคุณให้รุนแรงขึ้นไปอีกวิธีง่ายๆที่จะทำให้ใจเบาใจเป็นสุขตามที่พระพุทธเจ้าประทานไว้คือเฝ้าระลึกเรื่อยๆว่าขณะคุมแค้นแน่นอกคิดเอาคืนเป็นขณะแห่งอาการป่วยทางจิตเมื่อคนรู้สึกถึงความจริงนั้นได้เรื่อยๆใจจะฉลาดเห็นเองว่าไอ้ป่วยได้ก็ดี จะได้กลับมาสวดชื่นปลอดโปรง่งมีกำลังวังชาเมื่อคิดได้ใจก็ฉลาดขึ้นฉลาดพอจะวางและ ว, วางจากความโกรธแค้นไปเองธรรมชาติของใจที่ว่างที่วางย่อมเบาเป็นสุขสะอาดซึ่งก็ให้เอาความสุขอันเบานั่นแหละเป็นตัวตั้งสำรวจดูว่ายิ่งใจเบาเท่าไหร่ใจยิ่งแผ่ขยายออกกว้างขึ้นเท่านั้น มีแก่ใจไม่คิดอยากเบียดเบียนขึ้นเท่านั้นทำให้หายเครียดผ่อนคลายมีจิตเป็นขั่วบวกและยิ่งถ้าหากคุณได้สวดมนต์ไปจนถึงจุดที่รู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์ที่สว่างขึ้นมาภายในตนได้ลองตั้งสัจจาทิฐานว่าด้วยจิตที่สุบสว่างดีแล้วนี้จงเป็นที่ตั้งของความเมตตาที่อยู่เหนือความอาฆาตพยาบาทจงอย่าได้มีความผูกใจเจ็บเกิดขึ้นได้ หรือถ้าจะต้องเกิดขึ้นก็ขอให้จิตอันสว่างศักดิ์สิทธิ์นี้ปรากฏขึ้นณจุดนั้นเพื่อปัดเป่าให้หายไปโดยเร็วครั้งต่อไปเมื่อจําเป็นต้องเผชิญหน้ากับเรื่องหน้าให้ผูกใจเจ็บอีกคุณจะพบกับความหน้าอัศจรรย์คล้ายมีความชุ่มเย็นเกิดขึ้นเองเป็นความเย็นที่มาพร้อมกับสติอันสว่างกลางใจไม่หลงร้อนไม่หลงด่าไม่หลงลงมือหรือถลึงตาใส่ใคร ใจใสเหมือนแก้วมีแม้มวลทินบ้างก็ชั่วคราวซึ่งก็จะไปกระตุ้นให้บุคคลอันเคยเป็นอริรู้สึกดีขึ้นต่างฝ่ายต่างมีแก่ใจญาติดีต่อกันขึ้นมาจริงๆนี่แหละผลแห่งการแผเมตตาที่แท้